พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสรรโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่26มิถุนายน2556มีชื่อเรื่องว่าที่มาของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคล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 แต่หลวงพ่อก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรจะเนี่ยได้จำเป็นเอ๋อเข้าไปก็ว่าเลยนี่คนที่สองก็เลยถ้าหาว่าไม่ใช้เครื่องเสียงตอนเช้าก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันเพราะวางานใหญ่ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเอองานของลงตาของเรานะ อ, อไปถึงที่นน้นที่นี่แล้วยังขาดอยู่นั้นนะยังนี้ยังอันนี้นะ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 แต่ก็ดูๆูลกักงานลงตาก็รู้สึกว่าไปได้ดีราบรื่นแต่เดี๋ยวนี้ยังมีอีกนะพวกเราคณะัทนยายนรยมกรุงเทพวันที่เจ็ดวันที่เจ็ที่จะถึงเนะี่ยหลวงพ่อจะได้ลงไปทอดผ้าป่ากรุงเทพ อ, อีกวันที่เจ็ดกรกดาเนะี่ยคือสวนแสงธรรมตั้งแต่น้ำท่วมปีนี้น้ำท่วมนะที่พักกุติหลวงตาเนะี่ยเครื่องหน้าต่าง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 เพื่อหาทุนซื้อเครื่องส่งวิทยุยเสียงธรรมของหลวงตาอันนี้หลวงพ่อจะได้ลงไปกรุงเทพในช่วงนั้นแต่นา้นนานนั้วหลวงพ่อจะได้ลงกรุงเทพพวกคณะศรัทธาญาติโยมก็คงจะไม่ค่อยได้เห็นหลวงพ่ออย่างวัดฝาบ้านตาคงเหมือนกันแหววัดปาบ้านตาเนียคนทั้งหลายเขาก็บอกว่าเอ๊พระองค์นี้มาจากไหนกคนเขาเห็น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 มีอะไรก็ตามให้พระอาจารย์จุดใจทันตมโนเป็นผู้ดูแลอันนี้เนี่ยหลวงตามีพินัยกรรมชัดเจนเพราะนั้นหลวงพ่อถึงจุดนั้นหลวงพ่อก็ก ร, ระโดดเข้าไปเลยเข้าไปควบคุมและจะควบคุมปัจจัยได้อย่างไรหลวงพ่อก็คิดอีกเห็นทางเดียวหลวงพ่อก็ซื้อตู้เซฟเลยทีนี้ที่แรกไม่มีตู้เซฟวัดป่าวันาตาท่านก็ท่านตอนเช้าม า, าก็ก็ะอยอดตู้ธรรมด า, าท่านก็เอา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 ให้ชื้อทองคำเข้าคังหลวงเออเนี่ยอันนี้คือคำสั่งของหลวงตาแต่นั้นเราก็เราก็ดูลเลยตัวนี้อเราก็ควบคุมปัจจัยตัวนี้ท่านี้อในที่สุดเสร็จแล้วตัวนี้พอหลวงตาได้เท่าไหร่คุณชายป๋าปเท่าไหร่ปัจจัยเกือบเจ็ดร้อยครับโอ้เราจะเอายังไงล่ะตันี้แต่นี้หลวงพ่อก็ปรึกษาพวกทนายความพี่ภากษาอายการเพราะหลวงพ่อก็รู้จักใคร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 ก็ได้ซื้อพอเสร็จแล้วก็ออเอออไงไงก็เป็นนี่ลุงตาเป็นนี่ลุงตาไปก่อนว่ะพอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยพอวันมอบจริงๆนะทองคํามันขึ้นถึงสองหมื่นสองหมืนห้าเออทั้งที่เราซื้อหนึ่งหมืนเจ็ดนะพอเรามอบวันมอบทองเนี่ยสองหมืนห้าเออบอกกิโลหนึ่งเนี่ยเราได้กําไรแสนกว่า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 เหลือคณะอาจารย์จริงๆที่ว่าหลงพ่อเข้าไปในงานของหลงตาเนี่ยเข้าไปด้วยความจำเป็นแล้วว่าจำไม่มีใครพูดยังไงเลยเข้าไปกันเอเอเข้าไปทำหน้าที่ในฐานะที่ว่าท่านมอบให้เราเมาอบความไว้วางใจอยู่ในพินัยกรรมเนี่ยเอาเราก็ต้องไปทำทำจนสุดความสามารถ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 เราก็ไปกับพระประชุมกันเอ้ยหมู่พวกเพื่อนมานี่ผมจะอ่านนี้ให้ฟังฟังพระเท่ากับฟังฟังอ่านอ่านอ่นสรุปแล้วก็คือขอสร้างเจดีย์ลงตักเออห็นด้วยเห็นด้วยเข้าท่าเออเห็นด้วยวเอยเยเ อ, อเอาจากนั้นก็เข้าไปกราบเรียนหนึ่งสถานีวิทยุพอสถานีวิทยุ จ, จบแล้วก็เลยเอา้าหลวงพ่อนพดอนอ่านดูสิข อ, อกาศพระแม่กุญจารย์กับผมขออ่านรายงานนี้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 ยี่สิบกว่าวันเนาะท่านบพลก็อ่านก ะ, ะมาตรการพ่อแม่กุญแจโดยความเคารพคารวะที่พ่อแม่กรรมูญาจพูดว่าถ้าจะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์พ่อแม่กุญแจไม่ขัดข้องแต่พวกกับผมพวกเก้ากับผมก็เห็นด้วยที่จะทําลักษณะพิพิธภัณฑ์เพราะพ่อแม่กูญาจมีผลงานที่เอาชนะตัวเองแล้วก็มีผลงานทั้ห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 ลักษณะโดมข้างในแต่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะใช้ไว้คลราลาอีกเหมือนกันแผ่นใหญ่เ อ, อแล้วก็เขาจะล็อกกันแบบสวมล็อกกันแบบเหลื่อมกันแบบเป็นมีลิ้นเอ่แค่ว่าใช้เคีนยกข้นมาสวมสวมใช้เคียนแล้วก็สวมตั้งขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจนถึงสามสิบแปดเมตรจะใช้คาราลาทั้งหมด